بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات ابن الخطاب الاسلاميه بالدمام تواصل معك اخي الكريم المصحف الشريف للاخ سعد الغامدي الشريط ال15 ويحتوي على جزئي الذاريات والمجادله נאנםบท الذاريات บทนี้เป็นบทมักกียะมี 60 องการ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานการเสริมสร้างการศรัทธาและเดชานุภาพของอัลเลาะห์ผู้ทรงเอกภาพผู้ทรงพิชิตโดยเด็ดขาดบทนี้เริ่มด้วยการกล่าวถึงลมที่พัดฝุ่นให้กระจัดกระจายปลิวว่อนกล่าวถึงเรือเดินสมุทรในท้องทะเลได้เคลื่อนไปอย่างสะดวกโดยเดชานุภาพของพระผู้ทรงเอกะกล่าวถึงเมฆที่อุ้มฝนและกล่าวถึงมลาอิกะฮ์ผู้บริสุทธิ์ผู้ถูกมอบหมายทําหน้าที่ต่างๆการชุมนุมในวันกิยามะฮ์ จะเกิดขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยและแน่นอนการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนก็จะมีขึ้นโดยปราศจากการแข็งใจบทนี้ได้เปลี่ยนเรื่องมากล่าวถึงพวกกุฟฟาตมักกะฮ์บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลกุรอานและวันปรโลกโดยกล่าวชี้แจงถึงสภาพของพวกเขาในโลกนี้และผลที่ตามมาของพวกเขาในปรโลกโดยที่พวกเขาจะถูกนํากลับไปยังฝ่ายนรกยาฮันนัม เพื่อเป็นการลงโทษอย่างสาสมบทได้กล่าวถึงบรรดาผู้ศรัทธาผู้มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์และสิ่งที่อัลเลาะห์ได้จัดเตรียมไว้ให้แก่พวกเขาซึ่งความสุขสําราญและความมีเกียรติในปรโลกเพราะพวกเขาอยู่ในโลกนี้เป็นผู้กระทําความดีบทได้เปลี่ยนเรื่องมากล่าวถึงความเป็นมาของบรรดารอซูลผู้มีเกียรติกล่าวถึงพริกรรมของประชาชาติที่ละเมิดฝ่าฝืน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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ دو่ประณามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا ขอสาบานต่อลมที่พัดฝุ่นให้กระจัดกระจายพลิ้วว่อน كَالْحَامِلَاتِ وَالْقَارِ ขอสาบานต่อเมฆที่พยุงฝนอย่างหนัก كَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا ขอสาบานต่อเรือเดินทะเล ลั่นไปอย่างสะดวกสบายอัลมุกัสซิมาติอัมราขอสาบานต่อมลาอิกะฮ์ผู้จัดสรรการงานอินนะมาตูอัดูนลอซอดิกาถ้าจริงสิ่งที่พวกเจ้าถูกสัญญาไว้นั้นเป็นความจริงอย่างแน่นอนวะอินนัดดีนลอวากิอละถ้าจริงการตอบแทนจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนวัสซะมาอิดาติลฮุบุกขอสาบานต่อฟ้าฟ้า ที่มีวิถีทางโคจรอย่างมากมายอินนะกุมลีฟีกอลมุคตะลีฟถ้าจริงพวกเจ้าอยู่ในคําพูดที่ขัดแย้งกันยูซะกุนอันฮุมมันอูฟิกผู้ที่หันเหออกจากสัจธรรมนั้นเขาจะถูกให้หันเหออกจากการศรัทธากูจิรุลคอรอซูนละดีนฮุมฟีฆอมเราะตินซาฮูนผู้ที่กล่าวเท็จแก่นบีจะถูกสาปแช่ง คือบรรดาผู้ที่พวกเขาอยู่ในการสับสนหลงลืมเรื่องวันปรโลก Yes aluna ayyana yawmuddin พวกเขาจะถามว่าวันแห่งการตอบแทนจะมีขึ้นเมื่อใด Yawma hum 'alan nar yaftunun วันที่พวกเขาจะถูกทดสอบด้วยไฟนรก Dukufu fitnatukum hadha alladhi kuntum bihi tasta'jilun พวกเจ้าจงลิ้มรสการทดสอบของพวกเจ้าเถิดนี่คือสิ่งที่พวกเจ้าเร่งเร้ามันอินนัลมุตตะกีนาฟิญันนาติวะอุยุนถ้าจึงบรรดาผู้ยังเกรงจะได้อยู่ในสวนสวรรค์อลาดหลายและมีตาน้ําอาคิดีนามาอันตาฮุมร็อบบะฮุมอินนะฮุมกานูกับละซาลิกมุห์ซิน พวกเขาจะปิติยินดีในสิ่งที่พระผู้อภิบาลของพวกเขาได้ประทานให้แก่พวกเขาแท้จริงก่อนหน้านั้นพวกเขาเป็นผู้กระทำความดีจะนูกอดีลัมมินัลไลลิมายะฮ์ญะอุนพวกเขาเคยหลับนอนเพียงนิดหน่อยในเวลากลางคืนวะบิลอสหาริฮุมยัสตัฆฟิรุน และในยามรุ่งษางพวกเขาขออภัยโทษต่อพระองค์วะฟีอ์อัมวาลิฮิมฮักกุลลิซซาอิลวัลมะห์รูมและทรัพย์สินของพวกเขาจัดไว้เป็นส่วนของผู้เอ่ยขอและผู้ไม่เอ่ยขอวะฟิลอบดีอายาตุลลิลมูอ์มินและในแผ่นดินนี้มีสัญญาณต่างๆสําหรับผู้ศรัทธาเชื่อมั่น وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ لَإِنَّ تُواهُ الْوَقُعَاءَ أَيُّهَا الْقَوْمُ أَلَا تَرَوْنَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ لَإِنَّ السَّمَاءَ هَذِهِ مِصْبَاحٌ لِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ثَوَ رَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَمَا أَنْتُمْ تَنطِقُونَ <تضح> เสมือนกับที่พวกเจ้าพูดกันเรื่องราวของแขกผู้มีเกียรติของอิบรอฮีมได้มาถึงเจ้าบ้างไหมเมื่อพวกเขาได้มาหาเขาอิบรอฮีมพวกเขากล่าวทักทายว่าสันติเขาก็กล่าวตอบว่าสันติ พวกท่านเป็นกลุ่มชนที่แปลกหน้าแล้วเขาอิบรอฮีมก็รีบเข้าไปหาครอบครัวของเขาและได้นําลูกวัวอ้วนซึ่งย่างเสร็จแล้วออกมาแล้ววางมันไว้ข้างหน้าพวกเขาโดยกล่าวว่าพวกท่านไม่รับประทานหรือ أَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرْهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ مَعَ فَوْقَهُمْ مَاءٌ وَمَعَ فَوْقِهِ سَمَاءٌ إِذَا رَأَىٰهَا كَادُوا يَفْتَرُونَ عَلَيْهِ الْكَذِبَ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 قَال فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ هُوَقَالُوا وَعَدْنَا انْنا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ພວກເຂົາກ່າວວ່າແທ້ຈິງເຮົາຖືກສົ່ງໄປຍັງກຸ່ມຊົນຜູ້ກະທໍາຜິດ લِينُفُسِعَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ เพื่อเราจะได้โยนก้อนหินทําด้วยดินเหนียวแข็งลงบนพวกเขามูซอวะมะตันอินดะร็อบบิกะลิลมุสริฟีนถูกตราเป็นเครื่องหมายไว้แล้วณที่พระผู้อภิบาลของเจ้าสําหรับพวกที่ละเมิดขอบเขตฟาอัคเราญะนามะกันฟีฮามินัลมุอ์มินีนดังนั้นเราได้นําผู้ที่อยู่ในเมืองนั้นจากหมู่ผู้ศรัทธาออกมาให้พ้น فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ كَنَ رឿង ของมูซาเมื่อเราส่งเขาไปยังฟิราอว์พร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้ง فََتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ตาฟิราอว์ได้ผินหลังออกไปพร้อมกับบริวารของเขาแล้วกล่าวถึงการทำหน้าที่ของมูซาว่าเป็นนักเล่นกล ឬคนบ้า تاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مريم danเราได้เอาเขาและไพร่พลของเขามาแล้วเราได้โยนพวกเขาลงไปในทะเลโดยที่ตัวเขาถูกประณาม وفي عاد اذ ابسلنا عليهم الريح العقيم และในเรื่องของอาร์ทเมื่อเราได้ส่งลมพายุที่ทําลายล้างมายังพวกเขามันไม่ได้เหลืออะไรทิ้งไว้เลยเมื่อมันได้พัดกระหน่ํามานอกจากจะทําให้สิ่งนั้นพินาศย่อยยับและในธรรมูดอิซกีลลาฮุมตัมตะอูฮัตตาฮีนและในเรื่องของสมุทร เมื่อมีผู้กล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าจงสนุกร่าเริงไปชั่วขณะหนึ่งเถิดแต่เอาจากอํารของพระองค์พวกเขาถูกฟ้าผ่าขณะที่พวกเขากําลังมองแต่พวกเขาได้ท้าทายต่อพระบัญชาของพระเจ้าของพวกเขาดังนั้นเสียงกัมปนาทก็ได้คราดชีวิตของพวกเขาขณะที่พวกเขาจ้องมองดูอยู่แต่ไม่สามารถลุกขึ้นและไม่เคยเป็นผู้ชนะ แล้วพวกเขาไม่สามารถจะลุกขึ้นยืนได้แล้วพวกเขาก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้วะกอ์มะนูฮิมินกับลอินนะฮุมกานูกอว์มันฟาซิกีนและกลุ่มชนของนูห์ก่อนหน้านี้แท้จริงพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่ฝ่าฝืนวัสสะมาอาบะนีนาฮาบิอัยดินวะอินนาลามูซิอู และชั้นฟ้านั้นเราได้สร้างมันด้วยพระหัตถ์ของเราและแท้จริงเราได้เป็นผู้แผ่ให้กว้างไผ่สางวันอัซฟัรชนาฮาฟะนิอ์มะลมาฮิดุนและแผ่นดินนั้นเราได้แผ่ขยายมันออกไปดังนั้นเราจึงเป็นผู้แผ่ขยายที่ยอดเยี่ยมยิ่งวะมินกุลลีชัยอ์นคอละกูนาซอญจัยนละอัลละกุมตะดักกะรุนและจากทุกๆสิ่งนั้นเราได้สร้างมันขึ้นเป็นคู่ๆ เพื่อพวกเจ้าจะได้ใคร่ครวญดังนั้นพวกเจ้าจงเร่งรีบไปหาอัลเลาะห์เถอะแท้จริงฉันเป็นผู้ตักเตือนอย่างเปิดเผยจากพระองค์ท่านแก่พวกเจ้า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 اتواصوا به بل هم قوم طاغون พวกเขาได้สั่งเสียในเรื่องนี้แก่ฉันกระนั้นหรือเปล่าเลยเว้นแต่พวกเขาเป็นผู้ละเมิดข้อเขต لا تجعل عنهم فما انت بملوم وذكر فان الذكرى تفعل المؤمنين ดังนั้นเจ้าจงผินหลังออกจากพวกเขาเถิดแล้วเจ้าจะไม่เป็นผู้ถูกตำหนิ และจงกล่าวตักเตือนเถิดเพราะแท้จริงการตักเตือนนั้นจะให้ประโยชน์แก่บรรดาผู้ศรัทธาวะมาคอละกตุลจินนะวัลอินซะอิลลาลิยะอฺบุดูนและข้าไม่ได้สร้างยินเหล่ามนุษย์เพื่ออื่นใดเว้นแต่เพื่อเคารพภักดีต่อข้านาอูรีดูมินฮุมมิดริซกวะมาอูรีดูอันยุฏออฺม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 เขาได้รับการลงโทษเนื่องการลงโทษเพื่อนๆของพวกเขาดังนั้นอย่าได้รีบเร่งให้ข้าลงโทษเลยแทวัยนุลลิลลดีนกะฟะรูมินยอมมิมอัลลดียูอัดุนดังนั้นความหายนะจงประสบแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในวันของพวกเขาซึ่งได้ถูกสัญญาไว้